บทที่24สคำสาบสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอสายหมออุปการะค่ะกำลังพูดครับพี่คะหนูอยากนัดดูหมอสะดวกวันนี้ไหมคะขอชื่อและนามสกุลด้วยครับลานดาวรีลากรติหนูเคยดูกับพี่สมัยพี่ยังนั่งโต๊ะในห้างเห็นหน้าคงจำได้ครับเออเพอเอิญคนเพิ่งขอถอนนัดไปเป็นช่วงบ่ายสองโมงถึงบ่าย3โมงนะครับดีค่ะหนูจะไปถึงที่นั่นบ่ายสองโมงตรงนะคะครับตกลง ค่าดูเท่าไรครับสามพันครับโหทําไมแพงนักก็จําเป็นต้องตั้งกําแพงราคากันลูกค้าไว้บ้างไม่งั้นแห่มาดูกันจนผมป่วยความจริงถ้าผมทราบว่ายากจนเห็นเขาเดือดร้อนจริงๆริคิดค่าแอร์แค่ยีสบาทยังเคยแล้วพี่รู้ได้ยังไงว่าหนูรวยหนูยังขอตังค์พ่อแม่ใช้อยู่เลยไม่ต้องขอก็ได้เดือนละสองหมื่นเป็นประจําแต่ถ้าขอซื้อของพิเศษก็อาจได้เป็นแสนนี่ครับโอเคยังเก่งอยู่เหมือนเดิมสามพันก็สามพันค่ะ ระหว่างวันในเวลาทำการประตูรั้วบ้านหมอดูอุปการะจะเปิดกว้างอยู่แล้วเมื่อลานดาวมาถึงในเวลาเกือบบ่ายสองจึงนำรถคลานเข้าไปจอดในส่วนที่จัดไว้ให้ลูกค้าโดยเฉพาะได้โดยไม่ต้องเรียกใครหญิงสาวลงจากรถก็พบหมอดูใหญ่ยืนต้อนรับอยู่ที่ประตูเข้าเรือนสวัสดีค่ะพี่หญิงสาวลงจากรถยกมือไหวอย่างนอบน้อมครับสวัสดีจำหนูได้ไหมคะนึกๆอยู่ตั้งแต่ได้ยินเสียงทางโทรศัพท์แล้วว่าน่าจะเป็นหนูเชิญครับ เสียงเข้ากับใบหน้าเหรอคะอุปการร่างหัวเราะแผ่วไม่ตอบว่าอะไรเดินนําลูกค้าสาวมาสู่ห้องรับแขกซึ่งเปิดเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่าลานดาวตามมานั่งแล้วเหลือบซ้ายช้ำเลืองขวาสํารวจสภาพความเป็นอยู่ที่ดูดีของหมา อ, อุปการร่างเงียบๆขณะนั้นมีเด็กสาวลูกอีสานคนหนึ่งนำน้ำอัดลมพร้อมแก้วน้ําแข็งเปล่ามาวางบนโต๊ะแล้วจากไปลานดาวจึงทักสิ่งที่อยู่รอบตัวเราบอกความสําเร็จได้ดีนะคะบางทีก็แค่ชี้ว่าบุญเก่าตามมาช่วยเท่านั้นแหละ รู้สึกพี่เอินมาที่นี่บ่อยแล้วให้หนูฟังอยู่เรื่อยเดือนละสองสามครั้งไม่ถือว่าบ่อยหรอกตอนนี้หมอเอินเหมือนญาติของทุกคนในบ้านไปแล้วช่วยดูแลใครต่อใครไปหมดเขาบอกว่าพี่ปิดตัวเองแล้วก็เลือกลูกค้าหนูโทรมายังกลัวอยู่เลยว่าจะเข้าขายลูกค้าที่พี่เอินดูหรือเปล่าก็ไม่ถึงขนาดปิดตัวเองหรอกแค่คุยกันทางโทรศัพท์แล้วผมเลงดูเสียก่อนว่าอาจนาความเดือดร้อนมาให้หรือเปล่า เช่นทํานายแล้วเขาตีกันหรือต้องตามล่าล้างผ่านแก้แค้นทีหลังอย่างนี้ผมไม่เอาแล้วสมัยนั่งโตะในห้างจะบ่ายเบี่ยงยังไงคะผมก็บอกไปดือด้อๆอย่างนั้นแล้วว่าดูให้ไม่ได้อันนี้ข้อแนะนําเล็กน้อยแล้วไม่คิดเงินแต่ประเภทนี้นานทีมีครั้งใช่ว่าเจอบ่อยเกือบทุกคนที่ดูหมอก็เพราะเจอปัญหาคับอกมากกว่าตั้งท่ามาหาเรื่องกันลานดาวส่งยิ้มให้แต่ในตาเศร้าพี่คะจําที่เคยทํานายให้หนูได้ไหม ก็พอได้บ้างรออยู่เหมือนกันว่าเมื่อไรหนูจะกลับมาบอกดังๆว่าที่ผมทายเป็นนั้นผิดหรือไม่ก็มาขอวิชาแทรกแผ่นดินหนีจากผมลูกค้าสาวหัวเราะนิ่มๆในลำคออย่างรู้ตัวว่าโดนหยิกแกมหยอกหนูไม่มีอะไรจะคัดงางพี่อีกแล้วค่ะมีใครบางคนทำให้หนูเจ็บได้จริงๆเกิดมาหนูไม่เคยทุกข์ขนาดนี้มาก่อนเลยอุปการะยิ้มปลอบไม่มีวีแววคิดซ้าเติมแม้แต่น้อยปัจจัยที่ทาให้หนูเคยทุกข์หนักไม่ใช่เพราะรักมากหรืออยากมาก แต่เพราะมีความรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะสมหวังในรักซึ่งอันนี้หนูทำคนอื่นไว้เยอะคิดเสียว่าเรามีโอกาสลองรถขมเสียบ้างเพื่อความหยับยังชั่งใจไม่หลงก่อบาปก่อกรรมต่อด้วยความไม่รู้แบบเก่าๆอีกอันเนื่องจากตัดใจจากมาวันทาขาสนิทแล้วจึงฟังท้อยคำอันเป็นคติของหมออุปการะได้อย่างเข้าถึงลองย้อนทบทวนความทุกข์ร้อนสาหัสดูก็พบว่าตัวแปรสาคัญที่จิ ก, กัดหัวใจหนักหน่หนวงเจียนคลั่ง ด้วยความรู้สึกเป็นไปไม่ได้ที่จะสมหวังในรักกับมาวันทาจริงๆแม้แต่คำปฏิเสธของมาวันทายังมีน้ำหนักน้อยกว่าหลายเท่าตัววันนี้หนูมาขอความช่วยเหลือจากพี่อีกครั้งครับบอกมาเถอะว่าจะให้ช่วยอะไรพี่เคยบอกว่าหนูจะต้องเจ็บสองหนหนแรกผ่านไปแล้วรู้แล้วว่าไม่ใช่เรื่องหลอกเพียงแต่หนูไม่อยากให้หนที่สองเป็นความจริงหางเสียงเหือดแห้งใบหน้ามองลงถนัดอุ ป, ปการะหัวราหืๆ หนูเข้าใจว่าที่ผมพูดพูดไปคือคำทำนายหรือคำสาบกันแน่ถ้านี่เป็นคำสาบหนูขอให้พี่ถอนได้ไหมคะทางห้องตกอยู่ในความเงียบงนันลันดาวส่งตาวิงวอนเป็นนานกว่าจะรวบรวมความกล้าจนสามารถเอ่ยเต็มปากเต็มคำหนูไม่ต้องการคู่แท้ในอีก20ปีข้างหน้าหนูต้องการผู้ชายคนนี้หนูรักเขาใช่แล้วหล่อนรักเขายอมรับกับตนเองและกล้าสารภาพกับผู้ที่อ่านทุกคนออกจนหมดไส้หมดพุงอย่างอุปการะ อมริทําให้หล่อนอ่อนโยนลงเป็นผู้หญิงมากขึ้นและที่สําคัญคืออยากทําตัวเองให้น่ารักกว่าแต่ก่อนเพาว่ากวาดวิตกสุดหัวใจแทบทุกขณะจิตเครียดแทบประสาทกินเมื่อนึกว่าส่วนสวรรค์ตรงหน้าอาจมะลายกลายเป็นอากาศธาตุให้เกองงได้ทุกเมื่ออุปการาระบายลมหายใจยาวสายหน้าอย่างไม่ปิดบังความรู้สึกระอาเขาพบเจอเปัญหาของผู้คนรอยพ่อพันแม่จนชาชินทุกคนเหมือนกันหมดคือเอาความเศร้าของตัวเองมายัดเยียดให้เขารับผิดชอบ ฝากความหวังไว้กับเขาและถือว่าเป็นหน้าที่ที่เขาต้องช่วยจนกว่าจะสำเร็จผลก่อนอื่นหนูต้องเข้าใจให้ดีว่ากรรมนั่นเองคือพรกรรมนั่นเองคือคําสาปกรรมทําเองรับเองแต่และคนมอบพรและคําสาปให้ตัวเองการพยากรณ์ในแบบของผมนั้นแค่บอกว่าใครมีกรรมอย่างไรแล้วจะได้รับผลแบบไหนผมไม่มีหน้าที่พูดด้วยอัคติเพราะชอบหรืออัคติเพราะชังโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่ผู้วิเศษที่สามารถบันดาลให้ใครจเจริญขึ้นหรือเสื่อมลง คีดเสียว่าถ้าหนูอยากให้กฎแห่งกรรมมีตัวตนพูดกับมนุษย์ได้ก็คงพูดอย่างที่ผมพูดนั่นเองแล้วกรรมเก่าแต่ปางไหนที่จะทําให้หนูต้องสูญเสียเขาไปหนูต้องทํากรรมใหม่ยังไงถึงมีน้ําหนักพอจะมารังเขาไว้ได้คะหนูยอมทําทุกอย่างเพื่อรักษาเขาไว้อุปการรัถอนใจอีกหนแต่คราวนี้ปิดเปลือกตาไปครู่ใหญ่เพื่ออย่างสํารวจปัจจัยต่างๆจริงจังก่อนเปิดขึ้นมองลูกค้าสาวนิ่งเป็นสายตาที่ทําให้ลานดาวนึกเกรง คล้ายจำเลยเห็นผู้พิพากษาบนบันลังตัดสินโทษมีทางไหมคะก็มีอยู่เรากับบังเกิดแสงสว่างวาบจากปากของหมออุปการะลานดาวทําท่าเหมือนจะกระโจนเข้าไปเขย่าคอเขาทํำยังไงคะก่อนอื่นเข้าใจเหตุเข้าใจผลเสียให้ดีไม่มีเรื่องสําคัญในชีวิตเราเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญพระพุทธองค์ตรัสว่าความรักนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการประการแรกคือเพราะอยู่ร่วมกันในอดีตชาติประการที่สองคือเกื้อกูลกันในปัจจุบัน เหมือนดอกบัวที่เกิดเพราะอาศัยเหตุ2ประการคือน้ําและเปลือกตมขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้หมายความว่าถ้าเคยเป็นคู่ผัวตัวเมีย ม, มาแต่ปางก่อนก็อาจทําให้รักตั้งแต่แรกพบส่วนจะรักแท้แน่นอนยั่งยืนแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับวิธีอยู่ร่วมกันในปัจจุบันอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่และกรรมที่จะทําให้หนูเสียเขาไปก็ไม่ใช่กรรมเลวร้ายอะไรหรอกหนูเคยเป็นคู่บุญกับเขามาก่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาก่อนเพียงแต่ในภาคอดีตนั้น บุญระหว่างหนูกับเขายังแพ้บุญระหว่างเขากับอีกคนหนึ่งอยู่ลานดาวใจหล่นวูบนี่เป็นสิ่งที่หล่อนนึกไม่ถึงแปลว่าเขากาลังมีใครอีกคนหรือคะตอนนี้ยังคําตอบนั้นทำให้หญิงสาวใจชื้นขึ้นอย่างน้อยก็ยังมีโอกาสแทรกแซงอนาคตได้ทันคําว่าบุญคําเดียวทำให้นึกไม่ออกเลยคะ่ะว่าเราทาบุญกับใครม า, มามากน้อยแค่ไหนจะให้ช่างตวงวัดกันอย่างไรคะ พอจับหญิงชายมายืนคู่หรือเดินเคียงหนูเคยเห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหมว่าบางคู่ดูสมกันราวกับกิ่งทองใบหยกแต่บางคู่ก็ดูผิดฝาผิดตัวไม่เหมาะกันเลยอันนั้นเป็นเครื่องฟ้องแบบหยาบๆว่าบุญเสมอกันหรือเปล่าแปลว่าถ้าหญิงชามีรูปร่างหน้าตาและบุคลิกรับกันก็ถือว่าใช่จริงๆหรือคะก็ส่วนหนึ่งน่ะกายคนเราไม่ได้ประกอบด้วยเนื้อหนังกระดูกและเส้นเอ็นเท่านั้นมันยังถูกคุมด้วยกรรมให้ทรงรูปหยาบละเอียดงดงามหรืออัปรลักษณ์ต่างๆนาน า, น า, นานด้วย พระพุทธเจ้าท่านเน้นเรื่องศีลมากกว่าอย่างอื่นคู่ไหนเคยอยู่ร่วมกันแบบส่งเสริมให้มีศีลมีสัตย์ผ่องใสก็มาเกิดมารูปร่างหน้าตาดีชนิดที่หญิงชายบางคู่เข้ากันเหมาะเจาะราวกับถอดจากทีมเดียวกันผมยกส่วนนี้ก่อนเพื่อให้เห็นง่ายๆว่าบุญเสมอกันเป็นอย่างไรแต่บางคู่ภายนอกสมกันยิ่งกว่าทองคำกับหยกใสข้างในกลับไปด้วยกันไม่ได้เลยนี่คะพูดกันคนละภาษาคิดกันคนละแบบ แต่งงานเพียงด้วยความรักท่าเดียวอยู่ไม่ทันไรก็ทะเลาะบงเบงไม่อาจชาวบ้านหนูเคยได้ยินอุปการะหัวเราะอันนั้นก็ส่องว่าปัญญาไม่เสมอกันถึงต้องพูดกันละเอียดแยกแยะอย่างชัดเจนเป็นเรื่องๆเพื่อรู้ให้จริงว่ารักแท้มีชิ้นส่วนประกอบอะไรบ้างสมัยพุทธการมีเศรษฐีท่านหนึ่งพร้อมด้วยภรรยากราบทูลพระพุทธองค์ว่าเขาทั้งสองปรารถนาเคียงครองกันตลอดรอดฝั่งในปัจจุบันรวมทั้งไปพบกันอีกในสัมปรายภพ อย่างนี้ต้องทำอย่างไรแค่ไม่นอกใจกันจะพอไหมเดี๋ยวนะคะลานดาวยกมือขัดจังหวะกุลีกุจอหยิบอุปกรณ์บันทึกเสียงจากกระเป๋าถือขึ้นมาวางบนโต๊ะหล่อนนำมาด้วยเพราะเดาไวล่่งหน้าแล้วว่าอาจมีรายละเอียดที่สมควรเอากลับไปฟังซ้ำโอเคค่ะสองสามีภรรยาไม่นอกใจกันทูลถามว่าเพียงพอหรือไม่พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าอย่างไรคะ ตรงการไม่นอกใจกันเป็นแค่ส่วนของศีลเรียกว่าเกื้อกูลกันเฉพาะศีลพระพุทธองค์ตรัสข้ออื่นๆจนครบว่าถ้าสามีภรรยาคู่ใดหวังจะอยู่ร่วมกันในปัจจุบันและพบกันในสัมปรรยาพทั้งคู่พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะศเสมอกันมีปัญญาเสมอกันศรัทธาศีลจาระปัญญาสีประการนี้นะคะที่เสมอภาคแล้วทําให้พบกันทั้งปัจจุบันและอนาคต ใช่พระพุทธองค์ท่านเสริมว่าถ้าทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธามีความเห็นใจผู้ขอมีความสํารวมเป็นอยู่โดยธรรมเจรจาด้วยถ้อยคําที่น่ารักแก่กันและกันไม่มีใจคิดร้ายต่อกันย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมีความผาสุกรักใคร่กันมากอยู่ในโลกนี้และจะไปสวยสุขเพลิดเพลินบันเทิงใจกันต่อในเทวโลกเริ่มจากศรัทธาก่อนนะคะหมายถึงจะต้องนับถือพุทธศาสนาเหมือนๆกันหรือเปล่า ศรัทธาตามความหมายของพุทธศาสนาคือความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งควรเชื่อเพราะประกอบด้วยเหตุผลไม่ถูกลวงให้งมงายไปกับลักษณะชวนเชื่อภายนอกไม่ปักใจ ย, ยอมรับเพียงเพราะใครต่อใครร่ํำลือสืบสืบกันมาว่าน่าเชื่อแล้วสิ่งที่ควรศรัทธามีอะไรคะศรัทธามีหลายแบบแต่แบบที่จะทําให้อยู่ในเส้นทางผาสุกคือเชื่อในกรรมเชื่อในผลกรรมเชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตัวทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว ความเชื่อเกี่ยวกับกรรมเหล่านี้จะทําให้เกิดความละอายต่อบาปคุมให้เราอยู่ในลู่ทางประพฤติชอบด้วยความเต็มใจลานดาวยิ้มเจรอนคิดว่าหนูเชื่อเรื่องกรรมแล้วละคะ่ะเอาเป็นเริ่มเชื่อว่าเราอยู่ภายใต้อา น, นัตของแรงกระทําและแรงปฏิกิริยาที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็คิดว่าพี่แตรเขาคนนั้นของหนูนะคะ่ะก็คงแจ่มแจ้งเรื่องกรรมวิบากและการเวียนว่ายตายเกิดเป็นอย่างดีเพราะฝักฝ่ายเรื่องพันนี้อยู่ ก็ดีนอกจากนั้นศรัทธาที่สําคัญยิ่งอีกข้อหนึ่งคือเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าหากมีศรัทธาในข้อนี้ข้อเดียวก็แปลว่าการยอมรับธรรมะดีๆมีเหตุผลจะตามมาอีกจนครบเหมือนมีครูดีที่สุดก็จะรับวิชาถูกตรงที่สุดด้วยหนูเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างไม่มีข้อกังขาเพราะท่านสอนให้เป็นคนดีไม่เบียดเบียนกันส่วนที่แตร ى, เขาคนนั้นของหนูนะคะถ้าทางเขาอ่ำอึ้งลังเลอยู่ไม่ยอมรับกระทั่งตัวเองเป็นคนของศาสนาไหน เท่าที่ผมสัมผัสเขาท่าทางจะรู้จักพระพุทธเจ้าดีกว่าหนูอีกนะอย่างน้อยก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่ให้เป็นคนดีอย่างเดียวเออค่ะคงจะจริงแต่พี่กําลังพูดถึงศรัทธาหนูต้องได้คะแนนมากกว่าสิคะหรือพี่จะกดคะแนนหนูเปล่าคืออยากจะชี้ให้เห็นว่าศรัทธาในแบบของหนูมีน้ําหนักมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นด้วยความเป็นตัวของตัวเองอย่างเดียวนี้หนูจะศรัทธาคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเขาคิดอย่างไรพูดอะไรไว้บ้างนั้นหรือ ลองเจรณายเกี่ยวกับแก่นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนให้ผมฟังได้ไหมเออฮิศรัทธาแบบของหนูเนี่ยอาจพลิกเปลี่ยนได้ในชั่วข้ามคืนถ้าเกิดเหตุให้ทุกข์หนักแล้วมีใครชวนไปสัมผัส พ, พลังชั้นสูงในาศาสนาเขาพอหนูสัมผัสว่ามีอยู่จริงพบว่าอบอุ่นยิ่งใหญ่เหนือโลกอย่างไม่เคยพบเจอมาก่อนจากแวดวงาศาสนาเรา หนูก็คงเอียงข้างไปกับเขาถ้ารักจะศรัทธาในพระพุทธเจ้าจริงหนูต้องรู้ทางที่พระองค์ท่านชี้ไว้ชัดพอขนาดที่ไม่มีทางอื่นมาทำให้แปรศรัทธาไปได้พูดยากนะคะสำหรับกําลังใจคนทั่วไปคนที่หนูรู้จักหลายคนเหมือนกันเปลี่ยนศาสนาเพราะเขาสัมผัสรางวัลจากการปลูกศรัทธาใหม่ชนิดทันตาเห็นศาสนาเราน่าจะมีอย่างนั้นบ้างปฏิหารแห่งศรัทธานั้นมีให้พบเห็นเสมอไม่จากัดศาสนา ซึ่งถ้าทันใจก็อาจจุดไฟศรัทธาให้ชดช่วงได้ปรับปรับทันใดแต่ถ้าไม่มาตามคําขอก็อาจดับไฟศรัทธาให้มอดในชั่วง้ามคืนพระพุทธเจ้าไม่ทรงโปรดศรัทธาประเภทนี้เพราะมาง่ายไปง่ายเหมือนไฟไม่ฟงังท่านจะเน้นให้เห็นชีวิตค่อยๆรุ่งเรืองด้วยมุมมองที่ถูกและปัญญาที่ชอบของตนเองเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งจากรากขึ้นมาถึงยอดอย่างค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากการมีตนเองเป็นที่พึ่งมีกรรมของตนเองเป็นที่เกาะ และเพราะแนวสอนอย่างนี้ทำให้ไม่ค่อยเห็นวิธีขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกตัวซึ่งถือเป็นการหมักหมมเชื้อแห่งความอ่อนแอไว้ในจิตใจไปเรื่อยๆหาที่พึ่งแท้จริงไม่ได้เอขนาดพี่ตรายูชัดรู ล, ลึกทุกแง่มุมของพุทธเชื่อเรื่องกรรมชอบพึ่งพาตัวเองก็ยังไม่เห็นเกิดศรัทธาถาวรเลยทาไมเป็นงั้นล่ะคะ อุปการะเงยหน้าปิดตาลงเข้าสู่ภาวะนิ่งสงัดสว่างโพรนกระทำจิตให้อยู่ในสภาพรู้แจ้งแล้วน้อมไปแตะชายคนรักของลูกค้าสาวเพียงอึดใจเดียวก็ลืมตาขึ้นที่เขาไม่เชื่อเพราะในสายตานักศึกษาผู้รู้รอบแบบเขานั้นเหมือนไม่ได้มีศาสดาเพียงองค์เดียวที่รู้จริงเขายังเข้าใจอยู่ว่าธรรมชาติเป็นสากลสามารถเข้าถึงไดจากทุกทางคนที่ฟังมามากเกินไปลองมามากเกินตัวก็เลยติดกับดัก คือตัวรู้มากเห็นมากอย่างนี้แหละอีอีฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะเอาเป็นว่าศรัทธาระหว่างหนูกับเขาเจ้ากันได้ไหมคะเอาเป็นว่ามีศรัทธาในรักใหม่เสมอกันก็ได้ถ้าอยากคิดให้เสมอนะนะลานดาวหัวเราะพอรู้ว่าอุปการะสัญหาช่องทางช่วยเต็มที่ถ้าเปลี่ยนคำว่ารักใหม่เป็นรักแท้จะฟังเก๋กว่าเยอะเลยค่ะหนูเบื่อรักใหม่แต่ศรัทธาในรักแท้เสมอและหนูกับพีแ่แตรน่าจะพอดีกันในด้านนี้ได้ เพราะต่างก็ไม่ฉาบฉวยยินยอมรอคนที่ใช่เพียงหนึ่งเดียวมากกว่าด่วนรับรักคนที่ทำให้รู้สึกแค่ตื่นเต้นวุ้ว่าเป็นร้อยเป็นพันอุปการะเบนสายตาไปทางอื่นเพื่อซ่อนแววหมันไส้การล่วงรู้ทุกสิ่งทะลุปลุโปลงทำให้เขาเอื้อมกับความเป็นมนุษย์เกินใครแต่และคนงมงายอยู่กับมายาที่ราคาสร้างขึ้นเฉพาะตัวบางคนจริงจังรอรักแท้จนแก่ก็ไม่เจอสิ่งที่ราคาหลอกให้หลงรอ บางคนเจอใครที่นึกว่าใช่ก็ตาลีตาเหลือกจัดงานแต่งอย่างรีบด่วนเพื่อพบในภายหลังว่าคู่แต่งกลายเป็นคู่เวรบาปกรรมที่เคยทําร่วมกันไว้แต่ปางก่อนเหนี่ยวนําให้มาร่วมชายคาเพื่อจองเวรกันต่อต่างหากทว่าเมื่อพิจารณาด้วยใจที่รู้จักโลกรู้จักเหตุผลของโลกก็เห็นช่องทางเชื่อมโยงศรัทธาในแบบของลานดาวเข้ากับการอธิบายเรื่องของศีลจึงหันกลับมาเ อ, อ่ยด้วยน้ําเสียงกาลุน การมีศรัทธาในรักแท้รวมทั้งมีวาสนาได้พบรักแท้ก็นับว่าดีเพราะจะเป็นปัจจัยสําคัญให้คิดซื่อกับคู่ครองของตนเรียกว่าได้รักษาศีลข้อกาเมย์อย่างเป็นธรรมชาติเพราะมีใจจริงคอยช่วยคําจุนอยู่แล้วค่ะในตาลานดาวฉายแววเข้าใจและเชื่อมั่นในรักแท้ยิ่งขึ้นซึ่งคราวนี้เมื่ออุปการะเห็นอีกครั้งก็วางใจเป็นอุเบกขาเสียได้แต่ถ้าให้ดีศรัทธาในรักแท้การมีศรัทธาเรื่องกรรมร แ, และผลกรรม เชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วจะก่อให้เกิดความละอายต่อบาปสรงใจให้คิดรักษาศีลยั่งยืนกว่ากันเพราะรักในคู่คลองอาจโรยราเมื่อวันคืนผ่านไปแต่รักในศีนนั้นจะทําให้เบากายเบาใจไปจนชั่วชีวิตหนูมีความบกพร่องในศีลข้อไหนหรือเราสองคนไม่เสมอกันอย่างไรบ้างหรือเปล่าพี่ชี้เป็นจุดๆเลยได้ไหมคะผมถามกลับก็แล้วกันหนูคิดว่ามีศีลข้อไหนอยู่กับตัวบ้างหนูยังตบยุงอยู่ศีลข้อแรกคงขาด หนูไม่เคยขโมยของใครศีลข้อสองคงผ่านหนูเคยคิดเลอะเทอะหาทางแย่งคู่คลองคนอื่นบ้างศีลข้อ3คงพล่องแต่ยังไม่ถึงกับขาดทะลุหนูยังโกหกเก่งในบางสถานการณ์ศีลข้อสี่คงขาดหนูไม่ดื่มเหล้าเลยเพราะเกลียดรถของมันมาแต่เด็กศีลข้อ5้าคงโอเคอุปการะยิ้มนิดหนึ่งสรุปแล้วตามความคิดของหนูหนูมีข้อสองกับข้อ5อยู่กับตัวผมขอบอกอย่างนี้นะที่หนูไม่เคยคิดช่อโกง เพ่งเลงยากยอกเอาของคนอื่นมาเป็นของตนก็เพราะคุณพ่อของหนูมีฐานะร่ำรวยหนูอยากได้อะไรก็ซื้อเอาไม่มีเหตุบังคับให้ต้องฉกฉวยของใครเขามาแต่วันหนึ่งถ้าเกิดสถานการณ์บีบคั้นก็ไม่แน่นักทํานองเดียวกับที่ปกติหนูไม่เคยคิดแย่งแฟนใครเพราะหนุ่มๆวิ่งเข้ามาเสนอตัวกันจ้าละวันอยู่แล้วแต่วันหนึ่งพอเจอคนที่หนูรักหนูก็คิดแหกกฎประพฤติผิดกติกาสังคมเข้าได้เหมือนกันลานดาวอึง้งแปลว่าแท้จริงหนูยังไม่มีศีนข้อสอง หนูแค่ยังไม่ละเมิดศีลยังไม่เคยมีความตั้งใจเป็นพิเศษที่จะรักษาศีลข้อนี้ไม่เคยคิดว่าเป็นตายร้ายดีอย่าฝันว่าฉันจะขโมยของอย่างศีลข้อห้าก็เหมือนกันหนูว่าหนูไม่กินเหล้าเพราะเกลียดรสนั่นก็เป็นตัวสะท้อนว่าถ้าวันหนึ่งหนูนึกคลึม้มเลิกเกลียดรสดเหล้าขึ้นมาเฉยๆหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันให้เอากับเขาก็อาจกระดกแก้วได้โดยไม่มีความจำเป็นต้องยับยั้งชั่งใจหญิงสาวเม้มปากแน่นละเอียดอ่อนจังนะคะ แปลว่าตอนนี้หนูไม่มีศีลเป็นสมบัติติดตัวสักข้อถือว่าข้อสองกับข้อห้าหนูมีก็แล้วกันเพียงแต่มีโดยธรรมชาติไม่ใช่มีโดยความตั้งใจจึงไม่อาจเป็นเครื่องประกันความบริสุทธิ์ว่าหนูจะมีศีลอยู่เสมอแล้วทําไงจะถือว่ามีศีลละคะศีลคือข้อบประพฤติอันดีงามที่เราตั้งใจรักษาหากตั้งใจเว้นจากบาปไม่ว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกาเมหมุสาและเสพของเมา คือรับเอาศีลห้าเป็นข้อปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้สมาทานศีลหากออกจากบ้านนี้ไปสู่โลกภายนอกเป็นตัวของตัวเองมีสิทธิคิดมีสิทธิ์เลือกอย่างเสรีโดยปราศจากใครควบคุมเจอสิ่งล่อใจลบเราให้ผิดศีลก็ยังแน่วแน่เลือกที่จะไม่ทําอย่างนี้ค่อยนับว่าเป็นผู้รักษาศีลและถึงที่สุดแล้วหากไม่อยากทําผิดศีลออกมาจากใจคือไม่เอาตั้งแต่อยู่ในมุง้งเพราะมีความละอายต่อบาป เพราะเห็นโทษภัยของความประพฤติผิดทั้ง5้าอย่างนี้ถึงควรได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทรงศีลคือครอบครองศีลไว้เป็นสมบัติแล้วอย่างแท้จริงหมายความว่าการที่สองคนมีศีลเสมอกันวัดคร่าวๆจากการเป็นผู้ไม่มีศีลเลยหรือเป็นผู้สมาทานศีลหรือเป็นผู้สามารถรักษาศีลหรือยอดสุดคือเป็นผู้ทรงศีลแท้อย่างนี้ถูกไหมคะถูกแต่ถ้าให้ถือเกณฑ์ง่ายสุดก็เลือกมีความละอายต่อบาปใกล้เคียงกันอย่างเดียวก็พอ ถ้าสะดุ้งกลัวต่อความชั่วเหมือนๆกันก็นับว่ามีใจเสมอกันได้ส่วนในเรื่องของศีลจะช่วยเปรียบเทียบได้อย่างเฉพาะเจาะจงว่าใครสะอาดใครแปดเปื้อนมากน้อยกว่ากันเพียงใดพี่ตรยอมรับว่าเขายังกินเหล้าเพื่อเข้าสังคมยังโกหกเมื่อจําเป็นเช่นต้องหลอกคนไข้ให้สบายใจแปลว่าหนูต้องทําตามพี่เขาเพื่อให้เกิดความเสมอกันถึงจะดีหรือเปล่า ถ้าไม่ขนาดโกหกเป็นไฟแลบไม่กินเหล้าเมายำเปหัวราน้ำก็ไม่ถือว่าระดับศีลห่างกันเท่าไรหรอกเขาทำด้วยสภาพบังคับทั้งนั้นยังเป็นผู้มีความละอายต่อบาปได้แต่ฝ่ายเราหากสามารถเลือกก็ควรเลือกปรับจุดยืนของตนเองให้อยู่สูงที่สุดเพื่อประโยชน์เฉพาะตนจะดีกว่าการตั้งใจรักษาศีลห้าให้สะอาดจะเกิดผลเป็นความปลอดโปร่งใจกับเราก่อนและเมื่อภายหลังจิตเราบริสุทธิ์เยี่ยงผู้ทรงศีลแล้ว คนใกล้ชิดที่รักเราจะซึมซับและถูกกลืนด้วยอํานาจศีลอย่างใหญ่ของเราไปด้วยถ้ารักษาจนบริสุทธิ์ผุดผ่องจะมีส่วนช่วยให้ความรักยั่งยืนใช่ไหมคะหนูลองคิดง่ายๆถ้าบ้านเราสะอาดไม่มีความหมักหมมไม่มีร่องรอยสกรปรกหน้ารังเกียจใครเข้าไปอยู่ก็เป็นที่สบายหากยิ่งช่วยกันคนละไม้คนละมือทําบ้านให้สะอาดยิ่งยิ่งขึ้นทุกวันก็ย่อมรู้สึกถึงความสามัคคีปลองดองเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันจริงไหมใจที่ผูกสมัครรักใคร่นั่นแหละคือตัวบ้าน สินนั่นแหละเป็นความสะอาดของบ้านหากรักษาให้สะอาดร่วมกันก็อยู่สบายนานทั้งคู่ลานดาวตรองแล้วเห็นจริงตามอีกค่ะแต่รายละเอียดของเหตุการณ์บางทีซับซ้อนและยากจะตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิดหนูควรทำยังไงถ้าพบเรื่องลำบากใจที่ยากจะชี้ถูกชี้ผิดใจที่ทรงสีนจะรู้เองว่าควรหรือไม่ควรทำอะไรขั้นแรกคือหนูควรหลีกเลี่ยงอย่างสิ้นเชิงถ้าใจสงสัยแม้แต่นิดเดียวว่าผิดหรือไม่ผิด ให้ถือว่าผิดไว้ก่อนหนูเคยรักษาศีลได้สะอาดมาหลายชาติและผลก็คือความหมดจดสดใสของรูปร่างหน้าตาอย่างนี้แหละคนเราเคยสั่งสมบา ร, รมีทางศีลไว้มากๆเนี่ยนะเวลาต่อบา ร, รมีจะง่ายรู้สึกเป็นตัวของตัวเองเกิดความสุขกับการรักษาศีลโดยไม่ต้องฝืนเท่าไหร่แล้วที่สุดก็เกิดความอย่างรู้ขึ้นภายในจากใจที่สะอาดเอี่ยมว่าทําสิ่งใดแล้วสกปรกสิ่งใดพอประนีประนอมครึ่งทางได้ตกลงค่ะหนูจะรักษาศีล ว่าแต่จะต้องกล่าวคำสมาทานปานาติปาตาเวรมณีต่อหน้าพี่หรือเปล่าคะผมไม่ใช่พระที่จะให้ศีลหนูอย่างเป็นพิธีรีตองหนูแค่กล่าวให้ผมเป็นพยานว่าจะรักษาศีลห้าด้วยภาษาพูดธรรมดาๆรรอย่างเมื่อครู่ก็ได้หรือถ้ามีกําลังใจดีพอตั้งเจตนาแน่วแ น, วแน่อยู่เงียบๆในใจก็สําเร็จผลเหมือนกันค่ะพี่หนูขอปฏิญาณต่อหน้าพี่ว่านับแต่นี้จะรักษาศีลห้าให้สะอาดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดทางกามไม่พูดปดแล้วก็ไม่เสพของมึนเมาทั้งปวงแม้จะมีเหตุมาล่อใจหนักหนาเพียงใดก็ตามอุปการะพยักยิม้มสาธุขอให้มีจิตใจเข้มแข็งรักษาศีลได้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อความสุขเพื่อความมีชีวิตคู่ที่สะอาดราบเรือนของเราเองลานดาวพนมมือไหว้บุรุษตรงหน้าด้วยกิริยานอบน้อมแค่คิดรักษาศีลอนุภาพของศีลก็ทําให้รู้สึกอบอุ่นปลอดภัยยิ่งหนักแล้วขอบพระคุณที่ชี้ทางสว่างให้หนูนะคะ เห่ยหนาขึ้นนิ่งไปครู่ใหญ่ก่อนถามสิ่งที่ยังคาใจเกี่ยวกับศีลพี่คะถ้าอย่างเวลายุงกัดเราบ่อยๆแล้วเรายอมมันไม่กําจัดมันทิ้งไม่เท่ากับให้มีพาหะนําเชื้อร้ายมาหาเราหรือเมื่อหนูทําได้ถึงระดับทรงศีลก็จะเริ่มเห็นปฏิหารของศีลยุงจะไม่มารบกวนถึงกวนก็ไม่กัดถึงกัดก็ไม่ลายพร้อยถึงลายพร้อยก็ไม่เป็นไข้ถึงเป็นไข้ก็ไม่ตายถึงตายก็ได้ไปดีเพราะเหตุคือตั้งใจรักษาศีลยิ่งชีพคิดดูนะ กำลังใจยิ่งใหญ่ขนาดไหนกุศลจะยิ่งแกล้งกล้าเพียงใดกระทั่งแม้แต่สัตว์ตัวน้อยก็ไม่ฆ่าอย่าต้องนับว่าเป็นไปได้ที่จะคิดฆ่าสัตว์ใหญ่หรือมนุษย์นี่เท่ากับเราปิดทางอบายไปช่องหนึ่งจิตเราไม่มีทางเป็นอกุศลเข้มข้นพอจะประหัดประหารหรือกระทั่งทำร้ายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้เลยลั่นดาวตรองแล้วคล้อยตามเช่นเคยทางมาของบุญนั้นบางครั้งต้องวัดใจแลกเปลี่ยนกับเรื่องหน้าฝืดฝืนบ้างใช่ว่าโลกนี้ปูพรมให้เดินเก็บบุญเก็บกุศลโดยสะดวกโยธินแต่อย่างใด มีความจริงอยู่ข้อหนึ่งคือเมื่อไหร่เราตั้งใจรักษาศีลให้สะอาดจะเกิดเรื่องเกิดเหตุการณ์ลองใจเราแทบทันทีต้องกระอักกระอ่วนหรืออยากละเมิดศีลถ้าหากใจแข็งทําข้อสอบให้ผ่านเหตุพิสูจน์ใจจะอ่อนกำลังกระทั่งรามือไปเองแทบเหมือนทั้งชีวิตไม่ต้องเฉียดไปใกล้เรื่องผิดชนิดนั้นอีกนี่เป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์น่าพิศวงใจแล้วหนูจะรู้หนูจะแข็งใจทาข้อสอบให้ผ่านค่ะ ลานดาวรับปากและเป็นคนจริงพอจะรักษาความตั้งใจของตนเองมิใช่สักแต่พูดส่งเดชผ่านเรื่องศรัทธากับศีลถึงคิวอะไรจาค้าใช่ไหมคะใช่จาค่าหมายถึงการสละนับตั้งแต่การแบ่งปันภายนอกเช่นสิ่งของและแรงงานให้เป็นทานแก่ผู้ขอหรือผู้สมควรได้รับตลอดไปจนกระทั่งสละกิเลสเช่นให้อภัยเป็นทานหรือยอมเสียสิทธิครอบครองยศฐานบรรดาศัก์และทรัพย์สินสริงคานเพื่ออ อ, อกบวช สำหรับการคลองเรือนนั้นเอาแค่อยู่ร่วมกันด้วยความมีน้ำใจเสียสละสุขส่วนตัวเพื่อคู่รักของเราได้ก็นับว่าดีพอยิ่งถ้าต่างฝ่ายต่างรักกันมากถึงขั้นยอมสละชีวิตแทนกันโดยมีเหตุการณ์พิสูจน์ได้เห็นน้ำใสใจจริงชัดเจนก็จะยิ่งเป็นเหตุให้เกิดความซาบซึง้งผูกพันเหนียวแน่นกว่าคู่อื่นๆมากลานดาวทําหน้าเหยต้องถึงเลือดถึงเนื้อด้วยแค่สละนิสละหน่อยเช่นยอมทิ้งละครวิ่งไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ไม่ได้หรือคะ อุปการร้หัวเราะก็นับว่าได้เพราะการสละเล็กๆน้อยๆจะพัฒนาเป็นสละมากขึ้นเองอย่างที่ผมบอกว่าจารคาเป็นแง่มุมของจิตใจที่คิดสละคิดยอมยกให้ถ้ามองว่าเป็นการพัฒนาจิตใจก็คือละลายยางเหนียวของความตระณีให้อ่อนตัวลงถ้ามองโดยความเป็นเครื่องวัดความสูงส่งของจิตวิญญาณก็คือไม่เสียดายแม้ชีวิตขอเพียงมีโอกาสทำดีได้ถึงใจอย่างเช่นเคยมีฤาษีตนหนึ่งเห็นแม่เสือกำลังจะกินลูกเสือด้วยความโมโหหิว ก็ถึงขนาดยอมสละร่างกายตนเองเป็นอาหารแทนลูกของมันอี๋หญิงสาวอุทานแล้วหัวเราะกลอยใจดีผิดมนุษย์มานาจังนะคะเป็นใจของพระโพธิสัตวนะ์น่ะพูดตามตรงใจหนูยังห่างกับเขามากก็เรื่องจากานี่แหละเขามีความคิดเสียสละสูงระดับโพธิสัตว์คืออุทิตตัวเพื่อช่วยเหลือคนอื่นได้ทางชีวิตแต่อย่างหนูจะอยากให้คนอื่นอุทิศตัวเพื่อเรามากกว่าเขามาให้หนูกันเองนี่นั่นเป็นบุญเก่าที่หนูเคยให้ใครต่อใครไว้มาก และคนเราถ้าจำที่มาที่ไปจำเหตุปัจจัยของสิ่งดีๆที่กำลังปรากฏในปัจจุบันไม่ได้บางทีก็เสียนิสัยเห็นใครต่อใครเป็นข้าทาส ต, ต้องเป็นฝ่ายทำอะไรให้เราไปหมดอันนี้ไม่ได้ต่อว่าอะไรหนูนะผมพูดตามเนื้อผ้าให้เห็นความจริงหากหนูต้องการเขาไว้จ า, าระหว่างหนูกับเขาต้องเท่าเทียมหรืออย่างน้อยไล่เลี่ย ก, กันไม่ใช่ห่างขนาดนี้หากเขาได้พบคนมีจาระาสูงเสมอเขา จุดนี้จะจูงใจได้มากเพราะทําให้เข้ากันสนิทได้ทันทีเนื่องจากชีวิตนี้เขาสนใจช่วยคนอื่นเป็นหลักลานดาวเริ่มเห็นรางๆเพราะนอกจากอมริตจะทํางานที่โรงพยาบาลอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยแล้วบางเย็นบางค่ำยังอุตส่าห์ออกไปช่วยศูนย์ศึกษาธรรมชาติบําบัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นการรวมตัวกับหมออาสาแพทย์ทางเลือกที่นํนาศาิลปศาสตร์ในการรักษาฟื้นฟูสุขภาพกายใจทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณมาประสานกัน มุ่งเน้นสอนคนให้สลายความเครียดและล้มเลิกความประพฤติแย่ๆอันเป็นภัยแก่สุขภาพตนเองเสียคืนหนึ่งเมื่อเขาบอกว่าติดทุระและหล่อนกำลังอยู่ในอารมณ์เอาแต่ใจอยากพบอยากเจอให้ได้เดี๋ยวนั้นลานดาวยอมเป็นฝ่ายวิ่งไปหาเขาถึงที่ซึ่งก็ทําให้รู้จักอีกตัวตนหนึ่งของอมริตที่ถอดฟอร์มจิตแพทย์กลายเป็นนักพลังจิตผู้ปราดเปรืองเรืองวิชาในการรักษาโรคด้วยสารพัดวิธีพิสดารเพื่ออิญวันนั้นหล่อนปวดตุบๆ ท, ที่ขมับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวลานดาวจึงทดลองเป็นคนไข้ของอมริตก็พบด้วยความอัศจรรย์ใจว่าเขาใช้พลังความสุขจากจิตเข้าล้างก้อนเครียดในหัวเพียง5้านาทีอาการปวดก็หายเป็นปลิดทิ้งจึงเข้าใจความเป็นหมอในตัวอมริตเพิ่มขึ้นอีกระดับคือสามารถทําให้คนไข้หายทุกได้เพียงด้วยความรักและความการุณาจากใจเท่านั้นเคยนึกสนุกขอให้เขาสอนรักษาคนแบบง่ายๆจะได้ช่วยงานที่ศูนย์บ้างแว่าแค่เขาสอนให้ประคองสุข รักษาระดับความเยอกเย็นของอารมณ์สักหนึ่งนาทีก็ท้อเสียแล้วเพราะถ้าไม่อยู่กลางพีระมิดในฝันของอมาริดเหมือนคืนก่อนหล่อนก็เป็นเพียงคนธรรมดาที่มีสมรรถนะทางจิตระดับปานกลางเอเดียตไปทางฟุ้งอยากทำโน่นทํานี่สนองกิเลส ต, ตัวเองเท่านั้นหมายความว่าหนูขาดจาค้าอย่างแรงและผู้หญิงอีกคนของเขาชนะหนูรล้วด้วยจาค้าทั้งอดีตและปัจจุบันก็ไม่เชิงอันที่จริงหนูมาเกิดกับพ่อแม่ที่รวยก็เพราะหนูเคยมีใจยินดีในทานเห็นเหมือนของเล่นสนุก เหมือนเป็นงานอดิเรกนิยมทําทานเพื่อความบันเทิงเพื่อความยิ้มแย้มเริงเพื่อความยิ้มแย้มเริงรื่นยิ่งในชาติที่ได้พบพุทธศาสนาพบพ่อแม่และสามีดีๆมีใจบันเทิงในทานร่วมกันก็ยิ่งเกาะกระแสความเข้มข้นรุนแรงไว้บันดาลให้เกิดผลติดตามตัวไปถูกพบทุกชาติจึงไม่น่าแปลกถ้าทุกชาติหนูมีความอุ่นใจอยู่ลึกๆตั้งแต่อ้อนแต่ออกนี่ก็เพราะอนุภาพบุญคุ้มที่เราสำเนียกได้นั่นเองอีกอย่าง หนูเคยอุทิศตัวเสียสละเพื่อมวลชนมาก่อนด้วยฉะนั้นเชื้อจาคาระดับใหญ่จึงมีเพียงแต่ตอนนี้หลบในเพราะยังขาดปัดจจัยเร่งรา้าวงั้นก็พอฟัดพอเวี่ยงกับพี่ตแตรสิคะลักษณะาการทํางานช่วยมวลชนของหนูจะหนักไปทางใช้อิทธิพลยิ่งใหญ่ในการอุปถัมภ์คนอื่นหรือใช้ความงามความน่ารักเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยประสานประโยชน์ส่วนเขากับผู้หญิงอีกคนเคยเหนื่อยยากมาด้วยกันใจถึงชนิดเอาชีวิตเข้าเสี่ยง ไปช่วยชาวบ้านป่านาเถื่อนทำนองเดียวกับพวกมิชนารีนิสัยช่วยคนเป็นสิ่งย้อมติดทั้งในชาตินี้และในชาติก่อนนี่แหละอำนาจความเสมอตัด้วยจาา่าคะจะทําให้ทั้งคู่พบแล้วรู้สึกว่าเข้ากันได้สนิททันทีล้านดาวพยักหน้างเงียบเงียบนึกถึงภาพความเป็นนายแพทย์หนุ่มของเขาได้ชัดแต่ไม่สามารถเห็นภาพตัวเองไปยืนช่วยเป็นนางพยาบาลติดตามเขาไปต้อยๆหากให้หล่อนช่วยรักษาคนเป็นโรคเครียดโรคประสาดด้วยวิธีทางดนตรีก็ว่าไปอย่าง มอุปการะเริ่มทําให้หล่อนคิดลึกซึ้งเกี่ยวกับการอยู่ร่วมเรียงเคียงคลองมากขึ้นยิ่งแจกแจงเป็นข้อข้อยิ่งเห็นว่าแค่แรกพบศบตาแล้วนึกรักแค่เดินเก๋่วงกันแล้วเหมือนกิ่งทองใบหยกเท่านั้นไม่พอเลยชีวิตคู่มีอะไรยิ่งกว่านั้นมากชั่วขณะจิตหนึ่งก็นึกทอขึ้นมารักแท้ราคาแพงปานนี้เชียวหรือของยิ่งแพงก็มักจะยิ่งมีคุณภาพควรแก่การภูมิใจที่ได้ครอบคลองชายไวกลางคนยิ้มเย็นบอก ทำเอาลานดาวสะดุง้งยิ้มตอบไม่สนิทนักความสามารถในการอ่านใจของอุปการะเป็นสิ่งลุ่มลึกเพราะแปลสัญญาณจากคลื่นจิตได้ชนิดเป็นคำคำซึ่งปัจจุบันหล่อนพออนุมาณถูกว่าที่จะสามารถทำเช่นนั้นต้องมีจิตนิ่งละเอียดและมีความเฉียบคมปานใดอย่าเพิ่งทอที่จะเรียนรู้ความจริงเลยระหว่างเขากับอีกคนเคยขนาดสละชีวิตให้กันมาแล้วส่วนหนูนั้นไม่มีเหตุบังคับให้ต้องสละเพื่อกันและการขนาดนั้น เนื่องจากสมัยที่อยู่กับเขาส่วนใหญ่ร่วมแต่สวยกุศลวิบากพูดง่ายๆว่าร่วมสุขบ่อยไม่ค่อยมีเหตุปัจจัยให้ร่วมถูกนักแม่รักมากแค่ไหนก็ขาดสายใายซึ้งใจเท่าคนเคยตายแทนกันลานดาวถอนใจเฮือกชักฤิ์ยาแล้วสิคะดักตีหัวหญ่นั่นดีกว่าเจอเมื่อไร่สัต์ให้หมอบจะได้ไม่ต้องแข่งบุญแข่งบารมีให้ยุ่งยากหล่อนพูดในสิ่งที่คิดตามสบายเพราะอย่างไรก็ปิดหมออุปการะไม่ได้อยู่แล้ว เห็นไหมลาวว่าการสั่งสมความดีนั้นยากต้องใช้เวลาต้องทุ่มกําลังใจอย่างใหญ่แต่จะกอบบาปกอกรรมนั้นง่ายและอาศัยกิเลสขับดันในช่วงเวลาพลิบตาเดียวพออุปการะชี้และลานดาวก็ซึมไปตราหนักว่าในหัวตนยังมีความคิดชั่วร้ายอยู่มากแม้จะแค่ออกทํานองทีเล่นทีจริงก็ตามคิดไปคิดมาก็เดือดปุดและเกิดความถือดีมีมานะแล้วให้หนูทําไงคะถึงจะชนะสาวปริศนาผู้แสนดีนั่นต้องให้หนูไปสอบเข้าเรียนแพทย์ เพื่อออกมาเป็นหมอใจบุญแบบพี่แตร์เลยไหมลานดาวเกิดความอยากชนะมากพอจะเชื่อมั่นว่าต้นยอมกัดฟันเรียนแพทย์ได้ทั้งที่ไม่มีใจรักแม้แต่นิดเดียวฝ่ายอุปการรัหัวเราะและสายหน้าไม่จําเป็นว่าต้องทําให้เท่าเขาหรอกแค่มีใจยินดีร่วมกับเขาก็เหมือนเรายกระดับจิตใจให้เสมอหรือใกล้เคียงกันแล้วจะยกตัวอย่างให้ชัดเจนสมมุติว่าไปเที่ยวกันแล้วเจอคนป่วยข้างทางใจเขามีเมตตาคิดช่วยเหลือ ส่นเราอยากไปข้างหน้าเร็วๆไม่อยากหยุดเสียเวลาเพื่อคนอื่นอย่างนี้คือใจเขาเป็นทานส่วนใจเราเป็นตรณีแต่หากเราลงไปช่วยเท่าที่จะสามารถหรืออย่างน้อยที่สุดนั่งบนรถเฉยๆด้วยความชื่นชมน้ําใจของเขาไม่กระสับกระส่ายไม่คํานึงถึงอาการเบื่อของตัวเองอย่างนี้ก็คือมีใจสละร่วมกันปรับจิตให้เสมอเขาแล้วหญิงสาวอึง้งก่อนน่ารู้จักกันเขาไปช่วยงานศูนย์หมออาสาเกือบทุกคืนแต่หลังจากคบกับหลอนเขาก็ให้เวลากับที่นั่นน้อยลง ยอมรับว่าชื่นชมน้ําใจยิ่งใหญ่ประดุดท้องฟ้ามหาสมุทรของอมริตในเบื้องแรกแต่พอเห็นตามจริงว่างานอดิเรก ข, ของเขาแย่งเวลาพบเจอกันก็หมดความนิยมยินดีกับความเสียสละของเขาทันทีกับแค่ขั้นแรกที่ง่ายที่สุดไม่ต้องช่วยลงทุนลงแรงขอเพียงมีใจร่วมยินดีก็เหมือนฝืฝืนเหลือจะกล้ํากลืนแล้วหล่อนยังคิดแบบคนธรรมดาที่คู่ของตนควรขยันทํากินสร้างเหนือสร้างตัวเป็นปึกแผ่นรวมทั้งให้เวลารดน้ำพรวนดิน บำรุงต้นรักให้เติบโตแต่กิ่งก้านสาขามั่นคงไม่ใช่เอาเวลาไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่ไม่รู้จักไม่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างนี้หนูควรทําอย่างไรให้ใจมีจากามากขึ้นกว่านี้คะจําแค่ลักษณะจใจที่ให้ไวด้ดีๆก็พอพระพุทธองค์ตรัสว่าแค่สาดน้ําล้างจานลงบ่อโซโครกที่มีสัตว์อาศัยด้วยความคิดว่าเศษข้าวในน้าทิ้งจะได้เป็นอาหารของสัตว์ในบ่อเท่านั้นก็ได้บุญแล้วเริ่มจากการให้ที่เล็กที่สุดแต่ทําบ่อยที่สุด เก็บเล็กผสมน้อยมากเข้าก็กลายเป็นจิตใจฝักใฝ่ชอบให้แล้วขยบมาเป็นฐานที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆกระทั่งสามารถยกขึ้นสู่ระดับยินดีในความเสียสละของแฟนหนูได้ลานดาวตาสว่างคิดว่าเข้าใจเรื่องจิตคิดให้อย่างทองแท้เดี๋ยวนั้นเองเพียงพลิกกันแค่ที่มุมมองภายในแม้กิริยาทิ้งคว้างของคนธรรมดาทั่วไปก็กลายเป็นกิริยาแห่งบุญไปได้จาคะกับทานเหมือนกันไหมคะโดยในหนึ่งก็คือการแบ่งปันให้เหมือนกันแต่สําหรับจาคะ มุ่งที่ใจสละเพื่อความบริสุทธิ์เพราะเป็นการเอากิเลสออกจากกมลสันดานส่วนทานนั้นมุ่งที่ใจเผื่อแผ่ถึงซอยแบ่งได้เป็นสองอย่างหลักๆคืออามิสทานกับธรรมทานการให้อะไรเช่นธรรมทานไม่ใช่ด้วยจิตคิดสละแต่เป็นจิตคิดสงเคราะห์ให้คนอื่นรู้ดีรู้ชอบตามเหตุตามผลมากกว่าถ้าพูดรายละเอียดแล้วงงหนูจะคิดว่าเป็นอันเดียวกันก็ได้ท่านบัญญัติไว้ต่างกันเพื่อจําแนกรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้นนึกไม่ถึงว่าวิธีคิด วิธีมองมีส่วนสําคัญเหลือเกินต่อการทํากรรมพระพุทธองค์ตรัสชี้ลงไปทีเดียวว่าเจตนานั่นแหละกรรมกรรมคือเจตนาหนูสงสัยเกี่ยวกับความลึกลับของทานมานานแล้วทานให้ผลได้อย่างไรทานทํางานท่าไหนและเป็นเหตุแห่งความมั่งคั่งได้ยังไงผลตามธรรมชาติของทานในทันทีคือใจเป็นสุขเป็นความเปิดสบายของจิตขจัดยางเหนียวออกจากใจถ้าให้คนมีจิตคิดเป็นทานมาอยู่ใกล้กัน จะสัมผัสรับรู้ถึงความเป็นผู้มีใจเบาใจเปิดไม่ตรณีทีเหนียวเหมือนเหมือนกันแต่ถ้าต่างกันมากๆก็จะอึดอัดได้นี่คือผลอันเป็นปัจจุบันส่วนผลในอนาคตเช่นความมั่งคั่งนั้นก็เพราะจิตกาะภพบอันกว้างขวางของผู้ให้เอาไว้นักทรรมานย่อมถือกำเนิดในแดนเกิดอันปลอดโปร่งสมควร ก, กันกับจิตที่เผื่อแผ่ออกไปต่างจากจิตอันกาะภพบอันขับแคบของผู้ตรณีทีเหนียวและเกาะโงยเข้าตัวอันนั้นวิ ญ, ญญาณก็เหมาะกับดินแดนขับแคบหน้าอึดอัดไป ฉะนั้นแมรูปแบบจะเหมือนให้คนอื่นแต่สุดท้ายก็เข้าตัวเราเองได้กับเราเองตามหลักกฎแห่งกรรมอันเป็นสากรถ้าทำทานจนเห็นปาฏิหาริย์ของการให้มาก่อนก็จะไม่รู้สึกเป็นเรื่องแปลกเช่นยิ่งให้แทนที่จะยิ่งหมดก็กลายเป็นยิ่งได้ทันตาเห็นไม่ต้องรอตายแล้วเสียก่อนบางคนรวยตอนต้นชีวิตแล้วกลับตกต่ายากจนบางคนรวยแบบลุ้มๆมดอนดอนบางคนรวยเอารวยเอาบางคนได้ลาบลอยตลอดอย่างนี้ด้วยเหตุอะไรคะ ถ้าพูดถึงแรงส่งจากอดีตชาติความสม่ำเสมอของการให้ทานอย่างเช่นคนทําบุญประจําทุกเดือนไม่ขาดก็จะมีแรงพยุงให้มีฐานะเสมอต้นเสมอปลายรวยระดับไหนก็มักไม่ตกไปจากนั้นแต่ถ้าทําทานด้วยโกงชาวบ้านไปด้วยอย่างนี้ก็ให้ผลเป็นความลุ่มลุ่มดอนดอนหรืออย่างถ้าเขาขอหนึ่งแต่ให้สองก็จะเป็นผู้ร่ํารวยเกินคาดหรืออย่างถ้าทําทานไม่เลือกหน้าเจอใครขอเป็นให้ดะอย่างนี้ก็จะรับลาบลอยบ่อยแต่ที่สําคัญซึ่งพระพุทธเจ้าเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ความบริสุทธิ์ของทานของที่จะให้นั้นควรเป็นของเราโดยชอบธรำรอย่างแนวคิดโรบินฮูดร้นคนรวยมาให้คนจนนี้คือของไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมคะนั่นแหละตัวอย่างของทานที่ไม่เป็นธรรมแล้วอะไรอีกคะที่พระพุทธเจ้าเน้นท่านว่าถ้าปรารถนาผลของทานเป็นอสงไขยภัูรู์ดุดเดียวกับความประมาณไม่ได้แห่งมหาสมุทรก็ควรมีความประเสริฐทั้งฝ่ายผู้ให้และฝ่ายผู้รับเกณฑ์บอกความประเสริฐของผู้ให้นั้นคือก่อนให้ทานเป็นผู้ใจดี ขณะกำลังให้ทานอยู่เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสและหลังให้ทานเสร็จแล้วเป็นผู้มีความปรับเรื่มใจส่วนเกณฑ์บอกความประเสริฐของผู้รับนั้นคือเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะหรืออย่างน้อยที่สุดก็ปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะหนูเคยทําทานชนิดให้ผลภัยบุญมาก่อนชัดปัจจุบันเลยเห็นผลอย่างที่เป็นอยู่แปลว่ารู้เคล็ดลับเรื่องกรรมก็ลงทุนไปกับการทําทานนี่แหละดีที่สุดใช่ไหมคะ ชาติน่าจะได้นั่งๆ น, นอนๆแบบนี้อีกถ้าเอาผลบุญมาต่อบุญใหม่แล้วอธิษฐานขอให้มีใจคิดอยากต่อบุญไปเรื่อยๆก็จัดเป็นความฉลาดในการเตรียมสเสบียงไว้เดินทางไกลคนฉลาดย่อมเห็นชัดว่าแค่เลิกทําทานก็คือเตรียมความลําบากยากจนไว้ให้ตัวเองในภายภาคหน้าแล้วหนูเคยได้ยินคนพูดไหมความยากจนเป็นต้นทางของความชั่วร้ายทั้งปวงเห็นอยู่เหมือนกันค่ะตอนคนดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดไม่มีบาปชนิดไหนที่ดูชั่วร้ายพอจะทําให้เกิดความละอายได้เลย เป็นความจริงที่ชาตินี้หนูคงไม่ต้องรู้ซึงกับตนเองหรอกบุญเก่าคอยประคองไปทางชาติลานดาวยิ้มสดชื่นเพราะถือว่านั่นคือคำทํานายว่าตนจะได้สบายตลอดชีวิตอืมพูดง่ายๆว่าถ้าคิดท่องเที่ยวเวียนว้ตายเกิดไปเรื่อยๆแค่ไม่โกงไม่พอต้องให้ทานด้วยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้มีไหมที่ไม่ทาทานไวมากในอดีตก็รวยได้มีซีคนเราบางทีพอศรัทธานในอดีตกรรมก็มักลืมมองความจริงที่เป็นได้ด้วยตาเปล่า การปัจจุบันที่ทําให้ร่ารวยนั้นมีอยู่อย่างเช่นคนเสือผืนหมอนใบที่เป็นใหญ่เป็นโตนั้นก็เพราะเขาขยันทํากินอย่างต่อเนื่องรู้จักอดออมรู้จักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมรู้จักคิดอ่านหาลู่ทางขยับกายอย่างฉลาดกรรมเหล่านี้บันดาลความมั่งมีขึ้นได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้หมดตกลงหนูจะพยายามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้มากขึ้นตกลงพี่พูดถึงอะไรแล้วบ้างศรัทธาศีลจาคะสุดท้ายคือปัญญาใช่ไหม หนูอ่านไม่ฉลาดเท่าพี่เขาแต่ก็คุยกันได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่เบื่อใครพูดไปถึงไหนอีกคนก็ทันทันกันหมดอย่างนี้นับว่าปัญญาเสมอกันได้หรือเปล่าการพูดคุยกันสนุกนั้นโดยมากอาศัยการศึกษาความฉลาดคิดอ่านความฉลาดตั้งมุมมองสังเกตโลกรสนิยมในการใช้ภาษาอัธยาศัยในการตั้งข้อสนทนาบางคนก็ชอบพูดอ้อมค้อมบางคนชอบพูดตรงไปตรงมาบางคนขี้เกรงใจ ย, ยอมเอออวยตลอดบางคนก็ช่างค้านตะบันราด หนูกับเขาเข้ากันได้ในแง่เหล่านี้ก็นับว่าดีแล้วเพราะแปลว่าปัญญาในการเจรจาเสมอกันว้าวซื่อๆนะคะปัญญาของหนูกับยายคนที่ยังไม่โผล่ของเขาคนไหนเหนือกว่ากันก็ขึ้นอยู่กับจะมองมุมไหนเพราะปัญญามีหลายแบบแข่งดีทางใดทางหนึ่งแล้วตัดสินว่าใครด้อยใครเด่นนั้นอาจขับแคบเกินไปสนใจอย่างนี้ดีกว่าว่าปัญญาแบบที่ทําให้เข้ากับเขาสนิทเป็นปัญญาแบบไหนค่ะเป็นอย่างไหนคะ ปัญญาแบบของเขาเป็นชนิดสแสวงเหตุสแสวงผลชอบคำอธิบายให้หายค้องใจรวมทั้งแยกแยะออกว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือเปล่าประโยชน์อะไรมีสาระหรือไร้สาระนี่คือปัญญาในแบบของเขาถ้าหนูมีอยู่ก็เข้ากับเขาได้นานเช่นเดียวกับผู้หญิงอีกคนของเขาโอ้โหเขาออนเลยเราจะมาที่หลังแท้แต่กลายเป็นเราต้องวิ่งกวดตาตั้งลานดาวร้องดังๆขมวดคิ้วอึดอัดแล้วพรงอย่างหงุดหงิดหนูเพิ่งนึกอะไรได้ ถ้ายายคนนั้นสร้างบุญคู่กับพี่แตรมาครบพร้อมสมบูรณ์แบบขนาดนี้แน่จริงทําไมเขาไม่มาเจอกันก่อนหนูล่ะความสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่มีได้ในอุดมคติแต่ยากจะเป็นได้ในความจริงพวกเขาก็เคยทำกรรมอันเป็นเหตุแห่งการพบกันล่าช้ามาก่อนแล้วชาตินี้พอพบกันก็ต้องเป็นทุกข์ใจพอสมควรด้วยลานดาวสันสีษะหนูจะช่วยไม่ให้พวกเขาต้องทุกทรมานร่วมกันพี่แตรจะไม่มีทางได้พบเขาเด็ดขาดอุปการายิมมุมปากหัวเราะเฮือ ทำยังไงจะตามเอามือปิดหูปิดตาเขาตลอดไปหรือถ้าหนูทำกรรมใหม่เป็นบา ร, รมีสกัดกั้นแรงพอก็อาจใช่บอกแล้วว่าเขามีกรรมเป็นอุปสรรคขวางอยู่ก่อนด้วยแต่หนูจะอาศัยเพียงอำนาจความหึงหวงห้ามใครไม่ให้พบกันตามแรงฉุดของกรรมสัมพันธ์นั้นไม่ใช่วิสัยที่เป็นไปได้นะก็หนูจะทำตามคำแนะนำของพี่ไงคะเพิ่มภูนศรัทธาศีลจาคะและปัญญาให้มากคงฝืนดวงได้ใช่ไหมอุปการรับผงกศรีรษะ คนเราอย่างเก่งก็เต็มใจแค่ปรับตัวเข้าหากันแต่ที่จะปรับศรัทธาศีลจาคะและปัญญาให้เสมอกันนั้นหาได้ยากแสนยากวันนี้หนูประกาศเปลี่ยงแล้วว่าพร้อมจะลงทุนทุกอย่างเพื่อเอาเข่าไว้ก็เป็นการแสดงความจงใจทำผังกรรมเก่าให้บิดเบี้ยวด้วยแรงกรรมใหม่ไม่ยินยอมไปตามดวงฉะนั้นจึงเรียกว่าฝืนดวงได้เต็มปากและอำนาจที่จะฝืนดวงได้ก็มีแต่ธรรมะฝ่ายสูงเท่านั้นธรรมะฝ่ายต่ำไม่มีกําลังพอต้านทานพลังจากผังกรรมเก่าหลอก แล้วหนูมีเวลาแค่ไหนที่จะเร่งบุญให้ทันใครอีกคนอย่าให้ผมดูเลยตอนนี้ผมยังไม่กําหนดรู้เข้าไปชัดๆหรอกหากหนูรู้เวลาแบบจําเพาะเจาะจงรับรองว่าจะต้องมีพฤติกรรมประหลาดๆก่อดทุกให้เราเพิ่มทุกให้เขาปเปลา่าๆให้ผมบอกอย่างนี้ดีกว่าการพบใครสักคนที่เราถูกใจและเขาก็ถูกใจเราโดยต่างฝ่ายต่างยังไม่มีเจ้าของนั่นชี้ให้เห็นชัดว่ายังเหลือเวลาสร้างบุญเพื่ออยู่ร่วมกันในชาตินี้ด้วยศรัทธาศีล ราคกะและปัญญาพูดง่ายๆว่าถ้ารีบต้องทันลานดาวก้มหน้าก้มตาครุ่นขิดคู่ใหญ่นิสัยช่างท้อหมดความอดทนกับการคบหาเพื่อนต่างเพศง่ายๆในอดีตเกือบทําให้เลิกล้มขวนขวายน่วงเหนียวอมริดไว้อนาคตจะเป็นอย่างไรก็ช่างหัวแต่พอเกิดสติคิดซ้ำก็นึกขึ้นได้ว่าชีวิตนี้ปรารถนาสิ่งใดสูงสุดและเหมือนกําลังครอบครองสิ่งนั้นไว้แล้วควรหรือที่จะปล่อยให้หลุดมือไปเพื่อหวังว่าบ่อน้ําข้างหน้ายังมีอีก ด้วยสติคิดได้เช่นนั้นจึงทำตาปลือมองหมอดูอย่างปรงใจว่าจะทำตามคำแนะนำของเขาพี่บอกสูตรรักษาแฟนให้หนูครบแล้วใช่ไหมคะอุปการะหัวเราะขำหน้าตาและวิธีพูดของอีกฝ่ายยังหญิงสาวเกือบเอื้อมมือปิดเครื่องบันทึกเสียงเพราะนึกว่าจะได้กลับบ้านพอได้ยินเช่นนั้นถึงกับเลิกคิ้วสูงอ้าปากค้างตั้งสติเป็นครูก่อนขมุบขมิบกระซิบแทบไม่เป็นเสียงพี่พูดเล่นหรือเปล่า เปล่าพูดจริงและนี่เป็นสิ่งสําคัญสูงสุดด้วยที่พูดพูดมาแล้วยังเป็นเรื่องรองลานดาวหน้าซีดเผือดเอ็นหลังพิงพนักคล้ายจะเป็นลมสายตาทอดมองหมอดูอุปการะด้วยความรู้สึกเวงวางว่างเปล่าหล่อนพบแววปลาณีเห็นใจในตาอีกฝ่ายแวบหนึ่งแต่ก็รับหายอย่างรวดเร็วคล้ายประกาศว่าเขามีหน้าที่เพียงให้คําตอบที่หล่อนต้องการไม่ได้มีหน้าที่เอื้ออาทรขอผัดผ่อนหรือตัดทอนบุญกรรมอันใดให้ อาชีพที่เราจะทำเลี้ยงตัวนั้นมีส่วนกำหนดอย่างมากว่าจิตเราจะสะอาดหม่นหมองหรือมอมแมมหนูเรียนอะไรมาเกี่ยวกับศิละปะ ก, การบันเทิงใช่ไหมค่ะเรียนดนตรีนี่หนูก็กำลังจะเซ็นสัญญากับค่ายเพลงใหญ่หลังจากยักแยกยักยันอยู่นานเพราะหนูเกี่ยงนู่นเกี่ยงนี่ใช่ไวกลางคนพยักหน้างหงึกนั่นแหละฟังนะผมจะพยากรให้ถ้าหนูเป็นศิลปินหนูจะมีชื่อเสียงหอมฟุ้งขจรกระจายเรียกว่าด่งดังเป็นพลุแตกยิ่งกว่านักร้อง และดารานในไทยทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราไม่เคยมีศิลปินคนไหนรพร่างพรอมทั้งรูปร่างหน้าตาบุคลิกความสามารถมันสมองรวมทั้งบุญญาธิการเก่าเทียบเท่าหนูมาก่อนหนูเคยเป็นคนระดับปกครองเคยเป็นผู้ถืออานาจใหญ่และใช้อํานาจในทางเป็นคุณแก่มหาชนทั้งแผ่นดินมาหลายพบหลายชาติกับทั้งเคยอธิษฐานขอเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งหลังจากทําบุญชนิดไม่อาจมีใครเทียบเทียมเสมอเหมือน บุญเก่านั้นจะบรรดาลชื่อเสียงเกียรติยศใหญ่หลวงเป็นที่รักของผู้คนนับไม่ถ้วนจากขอบเขตไทยขยายเหมือนไฟลามทุ่งไปถึงระดับนาน า, นาชาติอีกทั้งให้ผลยั่งยืนยืดยาวไม่ต่ำกว่า20ปีทีเดียวล้านดาวฟังแล้วขนลุกทั่วสา ร, รพางอัตตาพองจนคล้ายปิติจะดันให้ผิวเนื้อปลี่แตกไปทางร่างจ้องมองโหงราจารย์ผู้ทรงศาสตร์ทางจิตชั้นสูงนิ่งเป็นครูไม่ทราบจะกล่าวประการใดถูกนอกจากขมุบขมิบ ป, ปากเอ่อยเบาๆขอบคุณนะคะ ขอบคุณบุญเก่าขอบคุณตัวเองในอดีตเถอะผมเป็นแค่ผู้แจ้งข่าวจากมิติของกรรมเท่านั้นอุปการะตอบยิ้มยิ้มตามแผนผังกรรมชาตินี้หนูจะต้องได้เป็นใหญ่ต้องเป็นที่ไหลหลงต้องทำคุณแก่คนจำนวนมากและในที่สุดต้องพบกับคู่ชีวิตที่แท้ในวัยกลางคนด้วยวิธีทางของการทำคุณใหญ่นั่นเองคราวนี้ว่าตามแผนผังกิเลสชาตินี้หนูมีรูปสมบัติคุณสมบัติและทรัพสมบัติครบกับทั้งชอบใจการบันเทิง เพราะฉะนั้นจึงตกเข้าข่ายกรอบเกณฑ์สังคมโลกปัจจุบันคือเป็นดารานักร้องซึ่งสามารถอาศัยสื่อทางวิทยุโทรทัศน์โรงภาพยนตร์และอินเทอร์เน็ตนำตัวตนของหนูไปเข้าถึงคนทั่วทั้งประเทศด้วยเวลาเพียงชั่วข้ามเดือนและถึงระดับโลกในเวลาเพียง4ปีเมื่อปีกกล้าขาแข็งพอเป็นเหตุเป็นผลดีจังค่ะนั่นคือข่าวดีนะตอนนี้ฟังคาพยากรณ์ที่เป็นข่าวร้ายบ้างยิงสาวกพลิบตาปลิบ ยังไม่ทราบจะต้องเจอความไม่คาดฝันใดจากท่านหมอดูตาทิพย์อีกสิ่งที่หนูต้องการเดี๋ยวนี้คือแฟนคนปัจจุบันซึ่งหนูพบว่าเป็นอย่างใจทุกอย่างเหนือกว่าชายทุกคนในอดีตที่ผ่านมาข้อเท็จจริงก็คือทันทีที่หนูโด่งดังวงจรการบันเทิงจะพรากหนูไปจากเขาทีละน้อยจากนั้นเส้นทางดาราจะพาไปพบกับใครอีกคนหนึ่งซึ่งเข้ากันได้มากกว่าเขาคนนี้แล้วหนูก็จะลืมเขาลืมอย่างเป็นธรรมชาติทีเดียวไม่ฝืนไม่เจ็บไม่ทุกข์เลยแม้แต่น้อย แต่หนูไม่ใช่คนได้ใหม่ลืมเก่านะคะไม่มีใครอยากได้ชื่อแหวเป็นอย่างนั้นหรอกหนูแต่โดยธรรมชาติทุกคนเหมือนเด็กที่ต้องการของเล่นใหมเ่เตะตาเตะใจกันไปเรื่อยๆทั้งนั้นไม่จริงหลอนเถียงตรงๆหนูหามาตั้งนานไม่เคยเจอทั้งชีวิตรู้จักแต่หนุ่มหล่อรวยเก่งประเสริฐเลิศเลอเป็นพันเป็นหมื่นวิ่งแถเข้ามาให้เลือกทุกวันตั้งแต่อายุ1 3บ4จนป่านนี้เพิ่งเจอคนที่ใช่เป็นครั้งแรก แล้วเขาก็ทำให้หนูรู้สึกลึกซึ้งเห็นคุณค่าของการมีชีวิตระดับที่สูงขึ้นหนูเป็นคนดีและยอมมาที่นี่ให้พี่สอนได้ก็เพราะเขาดัดนิสัยจะให้เชื่อหรือข้าวว่าเขาเป็นแค่ของเล่นชิ้นหนึ่งพอเจอใหม่ก็ลืมเก่าทันทีขออนุญาตค้านค่ะยิ่งพูดยิ่งโมโหนิสัยเด็กเจ้าอารมณ์เก่าๆกลับมาขึ้นหน้าตาเขียวปัดแต่อุปการะไม่ถือสาผมอธิบายให้หนูคิดตามอย่างนี้ก็ได้ อุปการะพยายามใช้น้ำเสียงเยือกเย็ยนสะกดให้ผู้อ่อนวัยรับฟังด้วยเหตุด้วยผลต่อไปพอหนูเป็นใหญ่ในวงการบันเทิงหนูจะมีไอเดียดีๆใช้ฐานของความเป็นศิลปินสร้างประโยชน์แก่ผู้ได้อโอกาสเหนือขนาด น, นับที่จุดนั้นหนูวงการได้ทุกอย่างว่าจะเอาหรือไม่เอาอะไรเลือกได้หมดว่าจะทําหรือไม่ทําอะไรแต่ช่วงปีแ ร, แรกๆระหว่างการสร้างชื่อเสียงหนูต้องทําตามเกณฑ์วงการบันเทิงปัจจุบันเช่นแต่งหน้าสวยๆแต่งตัววิววิเต้นแรงเต้นกลาปลุกใจเสือป่าไปเรื่อยๆ ลานดาวคิดตามแล้วเริ่มเห็นเขาความจริงรำไรจึงสงบใจฟังด้วยสายตาที่แปลเป็นอ่อนโยนลงอีกครั้งเมื่อครูผมพิ่งยกที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกความจริงเอาไว้คือถ้าเราทำทานกับผู้ปลัดจากราคาโทสะโมหะหรือทำทานเป็นการส่งเสริมให้พิสุบำเพเพียนเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสกองทุกก็จะให้ผลไพบู์จิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องหรือจิตที่พัฒนาไปสู่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่นเอง คือนาบุญอันเยี่ยมหวานข้าวหรือมเมล็ดพันธุ์ใดลงไปก็ย่อมได้รับผลดีวรวดเร็วกว่านาบุญเกรดต่ำกว่าผู้อย่างนิวรับได้ใช่ไหมค่ะลอนยอมรับโดยไม่ต้องฝืนใจนักทีนี้ความเป็นศิลปินของหนูโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันด้วยเนื้อหาหน้าที่แล้วลองตอบผมสิว่ามันเสริมหรือลดราคาโทสะโมหะให้กับผู้คนเรือนล้านเพิ่มค่ะ ลานดาวตอบแผวด้วยความตระหนักลึกซึง้งผ้าฝูงชนนับหมื่นด้านล่างเวทีคอนเสิร์ตที่แหกปากกรีดกราดโอลแมนรวมรวมกันแล้วก่อกระแสชนิดหนึ่งที่หลอนรู้สึกมานานแว่าจำแนกเรียกไม่ถูกมาปัจจุบันเมื่อเริ่มรู้สึกกระแสสารติล้าลึกจากการคลุกคลีกับคนเช่นหมออุปการะและนายแพทย์อมริดจึงย้อนกลับไปจำแนกถูกว่ากระแสนั้นคือกลุ่มพลังแห่งอกุศลจิตจิตวิญญาณที่ถูกเร่งเราให้ตื่นเพลิดลืมโลก ถูกยั่วยวนด้วยอิทธิมายาผ่านเรือนรูปอรชรอ่อนแอนและแก้วเสียงสนอใสล้วนนำไปสู่ความมักง่ายทางเพศนำไปสู่อารมณ์คลั่งหลงมัวเมางโงหัวไม่ขึ้นทั้งสิน้นสรุปคือวิถีทางทําบุญใหญ่ของหนูในชาตินี้ตามแผนผังเฉพาะตัวแล้วมันมาจากฐานของอากุศลใช่ไหมค่ะแล้วฐานของเขาในปัจจุบันเป็นกุศลหรืออกุศลกุศลค่ะเป็นตรงข้ามกัน เห็นไหมหนูไม่ต้องเป็นคนชั่วร้ายถึงเป็นคนดีก็ทําอกุศลใหญ่ได้โดยไม่รู้ตัวผลอันดับแรกของการย้อมใจผู้คนให้ติดหลงอยู่ในราคะโทสะโมหะก็คือความฟุ้งซ่านที่หยุดไม่ได้ในหัวของหนูเองผลอันดับต่อมาคือม่านมืดที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นเป็นกําแพงบางมิติทางการรับรู้ระหว่างหนูกับเขาผลสุดท้ายคือการเจอคนใหม่ในเส้นทางที่กลมกลืนกันคนที่จะทําให้หนูเจ็บปวดอย่างแท้จริงยิ่งกว่าครั้งแรกที่ผ่านมา ลานดาวเบิกตาโตชาว่าไปทั้งร่างหนูนึกว่าเขาคนนี้เสียอีกที่พี่ทำนายว่าจะทําให้หนูต้องเจ็บตามแผนผังกรรมของหนูหนูจะต้องเจ็บหนักสองครั้งสําหรับคนปัจจุบันนี้ผมบอกแล้วกันว่าขึ้นอยู่กับตัวหนูเองว่าจะกําหนดให้ลงเออย่างไรหญิงสาวรู้สึกว่าน้ําลายเหนียวขึ้นมาในบัดดลวงจรกรรมสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเกินกว่าจะจินตนาการถูกด้วยความเฉลียวฉลาดใดๆตามคําทํานายอํานาจใหญ่วางอยู่ตรงหน้า ใครเอื้อมไปคว้าก็จะมาอยู่ในมืออย่างง่ายดายแว่าจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนแล้วถ้าสมมุติว่าหนูเป็นอาจารย์สอนดนตรีอย่างนี้เป็นอกุศลทําให้คนยอมติดในราคาไหมก็มีบ้างแต่น้อยกว่าการไปยืนบนเวทีคอนเสิร์ตสักหนึ่งในพันอีกอย่างมีการหักกลบลบหนี้คือเราไม่ได้ยอมให้เขาเคลิ้มในดนตรีอย่างเดียวแต่ให้ปัญญาให้ทักษะความสามารถในเชิงสร้างสารรค์กับเขาอีกทั้งอาจเป็นวิชาความรู้ติดตัวไปเลี้ยงชีพต่อไปด้วย สรุปแล้วสอนดนตรีจะดีกว่าแต่หนูต้องใช้ชีวิตน่าเบื่อไปจนตายใช่ไหมก็ต้องเลือกเอาอุปการะบอกอย่างไม่มีความผูกพันกับคำแนะนำของตนเองนักเหมือนคนบอกทางว่าซ้ายขวาจะไปเจอจุดหมายปลายทางแบบใดโดยเขาเองไม่จำเป็นต้องร่วมเดินทางไปกับหล่อนหรือกระทั่งเดือดเนื้อร้อนใจกับความเป็นตายไร้ดีของหลอนเลยอย่างนี้ลาบากแย่สิคะกระดิกตัวทาอะไรเป็นบาปเป็นกรรมไปหมดแม้กระทั่งการหาอาชีพสุจริตเลี้ยงตัว ธรรมดาโลกความจริงพระพุทธเจ้าตรัสถึงอาชีพที่ไม่ควรทําเลยเพราะจะส่งให้อยู่ในวังวนทรมานกันนานมีอยู่แค่ห้าอย่างคือค้าขายมนุษย์ค้าขายสุราของมืนเมาค้าขายยาพิษค้าขายอาวุธและค้าขายสัตว์อาชีพอื่นๆพอทำเนาไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์หนักยืดเยื้อแก้ยากนักลานดาวซึมไปอีกหนูจะนําคําทั้งหมดของพี่ไปไตร่ตรองให้รอบคอบมีอะไรจะฝากฝังอีกไหมคะวันนี้คงไม่มีมากกว่าที่ทําให้หนูเหนื่อยใจไปทั้งหมดนั่นหรอก ความจริงนับว่าดีแล้วที่หนูพบกับคนประเสริฐคนเราคบใครก็ต้องมีความเป็นเช่นนั้นในทางใดทางหนึ่งพยายามซึมซับส่วนดีของเขามาเป็นส่วนหนึ่งของเรานี่คือประโยชน์ของการอยู่ใกล้ชิดคนดีคนเป็นบัณฑิตเพราะจะมีส่วนดีมากมายในเขาเป็นแรงบันดาลใจแก่เราแม้ไม่ได้อยู่ร่วมกันตลอดไปก็ช่างขอบคุณค่ะวันนี้คงขอรบกวนพี่เพียงเท่านี้ก่อนพูดจบก็ควักกระเป๋าสตางค์มานับธนบัตรเป็นค่าดูหมอตามที่ตกลงกันทางโทรศัพท์ไม่ต้องหลอก อุปการะโบกมือขัดลานดาวถึงกับชะงักงงวันนี้ผมสอนธรรมะมากกว่าดูหมอใจไม่อยากรับเงินแทนที่ลานดาวจะดีใจกลับขมวดคิ้วยน่นให้หนูรบกวนเวลาพี่เปล่าเล่าไม่ได้หรอกค่ะธรรมะเป็นความเบิกบานผมไม่ลำบากอะไรดีใจที่มีส่วนทําให้หนูเริ่มต้นก้าวใหม่ในทางดีงามวิธีที่เราคิดคือชีวิตที่เราเลือกใช้ชีวิตมาถึงไหนก็คือเตรียมตายเตรียมอัตภาพใหม่ถึงตรงนั้นจาไว้นะ